สจิตปริยะอยุศลาพระเวยุงเราพึงเป็นผู้ฉลาดในวาราจิตแห่งตนเติดในเวลาเป็นยามสุด้ายราตรีธรรมฟังที่เมื่อพระมีสติสัมปชัญญะรู้สึกตัวขึ้นแล้วพระมาสังเกต เรามาสอดส่องดูจิตของตัวเราเองดูสิว่าจิตของเรานั้นเป็นอย่างไรในรายการธรรมรับอรุณช่วงของจิตตะวิเวกทุกวณนกางเรามาฝึกปฏิบัติไปด้วยกันสักประมาณ60สนาทีตัมููฟัง60สินาทีเรามาทาจิตให้มีความสงบให้มีความวิเวก ให้มีความรีกรน้นพระพุทธเจ้าเคยกล่าวบอกเอาไว้ว่าถ้าเผื่อว่าเราไม่ได้ฉลาดในวรารจิตของผู้อื่นบางครั้งมึงกล่าวเราอาจจะรู้คาดเดาได้ว่าเอ๊ะคนนี้เขาคิดอย่างนี้เขาจึงพูดออกมาอย่างนี้ที่เขาทําอย่างนี้เพราะเขาคิดอย่างนั้นคือพอเดาได้แต่ว่าจะฉลาดจริงๆเขาคิดยังไงลึกซึ้งลงไปกว่านั้นเนี่ยถ้าไม่มี ยานยังรู้ที่ไม่ใช่เพียงการคาดเดาหรือคเนเอามันไม่รู้ได้หรอกตูมฟังเราต้องมียานถ้าเราไม่มียานที่จะรู้วารจิตของผู้อื่นหรือว่ามียานยังไม่ชัดเจนยังไม่แก่กล้ามีแบบประเภทว่าจะคิดคาดคณิเอาอันนั้นยังไม่ปอนแน่นอน เรามาทำความฉลาดในวรจิตของเราเองจะดีกว่าสัจิตตริยยะกุสลาคือพึงเป็นผู้ฉลาดในวรจิตของตัวเราเองเราเริ่มจากตรงนี้แหละท่านจะอยู่ใน a ร e ยบทใดจะเดินจะยืนจะนั่งหรือจะนอนอยู่ในอ a รียบทไหนก็แล้วแต่ ทำให้มันละเอียดขึ้นอีกนิดหนึ่งเช่นถ้านอนอยู่ก็ลุกขึ้นมานั่งถ้านั่งอยู่ก็หาที่สงัดลงไปอีกนิดนึงแต่เดินอยู่ก็ามายืนหรือมานั่งลงถ้าอยู่ที่สงัดอยู่แล้วก็มาทําจิตให้มันดูดีๆวิธีการที่เราจะมาเป็นผู้ฉลาดในวาราจิตของตัวเรเองนี้ ท่านบอกว่าให้สังเกตดูซะก่อนว่าเหมือนเวลาที่ชายหนุ่มหรือหญิงสาวที่เขาชอบความสวยงามชอบแบบหน้าตานี่ต้องดูดีนะจะถ่ายรูปเซลฟี่ต้องตรวจดูสองกระจกซะก่อนเขาก็จะต้องมาตรวจดูที่กระจกไงดูหน้าตัวเอง หรือถ้าสมัยก่อนไม่มีกระจกประมันแพงต้องใช้โลหะมาขัดด้วยน้ำยาขัดด้วยผงขัดชนิดพิเศษมันถึงจะเงางามขึ้นมาได้ก็เอาน้ำนี่แหละน้ำมาเทไว้ก้มลงไปดูสะท้อนกับแสงเออพอเห็นได้ว่าหน้าตานั้นมันมีจุดด่างจุดดำมีสิวมีอะไรไหมถ้ามีนะก็พยายามที่จะบี่พอ ที่จะเช็ดจะล้างสองดูสองดูเงาหน้าของตัวเองคือสอดส่องที่จิตของเราไงบูฟังสองดูจิตของเราตรวจ ด, ดูจิตของเราเหมือนเราดูกระจกที่ตัวเราหน้าเราคุณจออกจากบ้านแต่งตัวยังไงผูกเชือกรองเท้าหรือใส่เครื่องประดับอะไรยังไง ต้องดูทหารเขาจะออกจากห้องก็ยังต้องมีกระจกดูเครื่องแบบว่ามันถูกต้องไหมที่วัดบางทีไม่มีกระจกก็ยังต้องมีพระเพื่อนกันดูเออนี่แต่งตัวเป็นยังไงห่มสังกติถูกต้องหรือไม่ตรงนี้โกนผมหรือยังก็ยังต้องมีคนคอยช่วยดูแต่ก็ดูภายนอกกันดูฝั่งมันยังพอช่วยกันได้ใช่ไหมแต่ภายในนี่ จิตอเราเนีต้องมาสอดส่องดูจิตของตัวเราเองวันนี้เราดูจิตไลยตั้มบฟังดูจิตดูจิตดูจิตฉลาดในวาระจิตฉลาดในวาระจิตฉลาดในวาระจิตของตัวเราเองสอนส่องดูดูยังไงเหมือนดูกระจกใช้หนุ่มหญิงสาวเขาดูกระจกเขาหาอะไรหาสิว มีสิวเสียนไหมมีจุดด่างดําไหมหาตรวจ ด, ดูเราดูจิตของเราเราดูว่าส่วนมากมันอยู่ยังไงในตลอดยี่สสี่ชั่วโมงที่ผ่านมาไม่ออกมากเอาแค่ยี่สิบสี่ชั่วโมงที่ผ่านม า, นเาเรามีความสงบแห่งจิตหรือไม่จิตใจสงบเย็น หรือจิตใจมันวุ่นวายจิตใจมันเลอเพลิดเพลินไปตามสิ่งต่างๆหรือว่าเห็นความไม่เที่ยงดูแค่สองอย่างตบะว่าดูแค่ว่าสงบไหมดูแค่ว่ามันเห็นความไม่เที่ยงไหมถ้าเห็นแต่ความฟุ้งซ่านวุ่นวายไม่สงบโกรธถ้าเห็นแต่ความยึดถือยึดติดยึดมั่นอ่าเจอสิวแล้วเจอจุด ด่างดำแล้วแต่ ไ, ไงบีบอกเลยเช็ดออกทําความสะอาดให้ดีแต่มันจําเป็นต้องใส่ ย, ยากะ่ะหายาใส่ทําความสะอาดที่กเราซอดส่องดูแลจะมาปล่อยให้มันเปือเป้อนเกล็ดกรังด้วยของโสโครโด้วยของสโสกปรกด้วยโรคภัยด้วยตําหนีอะไรต่าง ไม่ได้นะไม่ดีถ้าจิตเรามีจุดด่างดำตรวจสอบส่องดูสังเกตตรงไหนมีจุดดำเอารอบยี่สิบสี่ชั่วโมงที่ผ่านมาตรวจ ด, ดูเออตรงนี้เราไม่พอใจคนนี้าราโรกโรธแล้วเออตรงนี้เราอยากได้สิ่งนี้อยากกินตรงนี้อ้โหนี่ ตกี้หิ่มแล้วก็ยังอยากกินต่อไปอีกนี่ อ, อแสดงว่ามันยังมีความอยากอยู่ความยึดติดยึ ด, ยดถืออยู่นิสัยอะไรที่ไม่ดีเอาเราตอนนี้ตั้งสติไว้นะพอเรามาสังเกตดูจิตนิสติมันมาทันทีเป็นการเห็นจิตในจิตอ่ะก็จิตก็ดตัวเราเองเรามาดูจิตคุญตัวเราเองมันจะไม่เห็นจิตในจิตได้อย่างไรมันเป็นสติชัดๆ จิตตาอนุปัสนาสตริปทานไม่ต้องดูลงหมายใจไม่ต้องนึกพุโทโธแค่มาสังเกตดูจิตของเราสังเกตดูจิตเราเป็นยังไงเอาตอนนี้ไม่ต้องเอาเวลายี่สิี่ชั่วโมงที่ผ่านมาก็ได้ไอจิตที่เราสังเกตตั้งดูอยู่ตอนนี้ในช่วงเวลาที่ผ่านมายีสี่ชั่วโมงนั้นเป็นการเห็นจิตในจิต เป็นการที่เราพยายามที่จะทำความฉลาดในวารจิตของตัวเราเองถ้าเรายังไม่ได้เรายังไม่ได้มีความสงบใจเย็นใจได้ยังมีอารมณ์ขึ้นๆลงๆซ้ายขวาหน้าหลังอยู่หรือสองดูสองเรื่องนะดูสองเรื่องว่าเราจิตสงบไหมหรือจิตฟุ้งซ่านไหม 2. งดูว่าเรามีความยึดถือในสิ่งต่างๆไหมมีความอยากมีความกำหนัดพอใจอะไรหรือไม่หรือว่ามีปัญญาเห็นสิ่งต่างๆด้วยดีได้หรือยังถ้าอย่างทั้งสองอย่างนะเอาทีละอย่างทุูาาฟังเอาทีละอย่างอย่างแรกทีอว่า เรายังไม่ได้ความสงบในใจเลยนี่นะเราต้องถามคําถามนี้กับตัวเราเองท่าฟังถามคําถามนี้ตรวจสอบดูจออทียังไม่ได้สงบเลยฉัยังฟุ้งซ่านอยู่ก็มียังโกรธคนอยู่ก็มีหาคําตอบเลยทําฟังเราต้องหาคําตอบนี้เราเาจเช็ดออกไหนที่ดำๆเนี่เราจะมีบออหนะไอ้ที่มันสุกแล้วนี่สิวนี่ เราจะทำความสะอาดจิตของเราเนะี่ยตรงนี้นะที่เราต้องหาคือเรื่องมือทำความสะอาดจิตกองเราเออมันยังมีจุดด่างดำมีความด่างร้อยจิตนี้เป็นสิ่งที่ควรดำรงไว้อย่างไรจิตนั้นควรผูกชักนำไปอย่างไรจิตควรทำให้เป็นจิตมีอารมณ์เดียวอย่างไร จิตนั้นควรทําให้ตั้งมั่นได้อย่างไรอันดับแร ก, ก่อนด้วยว่าจิตมันถูกชักนําไปอย่างไงจิตนี้ถูกนําไปด้วยโลกตัมบฟังโลกนี่มันพานําจิตของเราไปตามเสียงผ่านทางหูโลกนี่มันพานําจิตของเราดึงออกไปสู่กลิ่นผ่านทางจมูกโลกนี่มันพานจิตดึงออกไปหา รถผ่านทางลิ้นโลกเราเนี่ยนะสิ่งต่างๆายนอกเนี่ยมันจะดึงจิตกรองไปหาภาพหาแสงผ่านทางตาจิตเราถูกนำไปสู่รูปเสียงกลิ่นรสอุธภมะในที่สำคัญคือความคิดนึกของเราเนี่ยแหละธรรมะรม ทำามารมคิดเรื่องอดีตปัจงบนอนาคตบั่งคนนั้นบั่งคนนี้บาง่บางการเมืองบั่งสิ่งวัตร้อมหารการรับประดานสุขภาพโรคไข้ไข้เจ็บโอ้ที่ ป, ปาทะคิดไปสัมผัสไปรับรู้รสไปดมกลิ่นไปและยินเสียงไปเห็นภาพไปผ่านทางตาหูจมูกลิ้นกายและใจหกช่องทางแต่หมดนี้ทุกฝังก็เรียกว่าโลก พระบุตร้ า, าเรียกตามหูจมูกนิ้วไก่ใจรูปสิ่งคือรสเหล่านี้ว่าโลกโลกนําจิตไปสิ่งเหล่านี้มันจะดึงจิตไปถ้าจิตถูกนําไปอย่างนี้ถ้ามันนําไปดีมันก็ดีอยู่ถ้าไปเศร้าหมองมันก็เศร้าหมองแล้วตามนั้นเลยนำไปผ่องใสมันก็ผ่องใสนําไปเศร้าหมองจิตมันก็เป็นยังไง เศร้ามองที่ก็จะเศร้ามองบางพองใสบางตามแต่สิ่งที่โลกนั้นจะนําจิตไปซึ่งแน่นอนผู้ฟังโลกนี้มันหลายอย่างไงโลกเราทุกวันนี้นะดีมันก็มีช่วมก็มีเสียมันก็มีได้มันก็มีสุข ก, ก็มีทุกข์ก็มีอะโอ้ทั้งั้นเราก็จะสุขสุขทุกทุกขึ้นขึ้นลงลงซ้ายขวาหน้าหลังอยู่ลรงตรงนัง่งอยู่นี่ก่อนนี่แหละ ข่าวนี้มาก็คิดเรื่องนั้นไปคนนี้ไปก็คิดเรื่องนั้นมามันเป็นอย่างนี้อยู่ตลอดเรื่องเง้น้องเศรษฐกิจมันประจำจิตมันจึงวุ่นวายจิตมันถูกชักนำไปอย่างนี้คาถามในที่นี้คือเราควรจะตั้งจิตไวอย่างไรอเอาไปที่มันดึงไปในมันตาหูเนี่ยไปหาภาพหาเสียงเนี่ยเหมือนสัตว์ไง ลิงลิงมันไม่อยู่นิ่งมันชอบชอบวิ่งไปมาเข้าป่านุ่นเหมือนงูงูมันไม่มีขาเวลามันจะไปมันก็นเลื้อยไปเข้าจอมปลูกนุ่นเหมือนจระเข้จระเข้ลิงมันสั้นนิดเดียวเวลากินอะไรมันกุยกุ๊บเลยมันชอบลงน้ําเป็นสายกระดึงบอกกระ่งน้ํานุน่นเหมือนสุนัขจิ้งจอ สุนัขจิงจอกนี่จมูกมันดีดมกลิ่นเน่าของเหม็นอะไรอยู่เป็นห่างหลายๆกิโลมันยังไปได้มันชอบเข้าป่าชา้าสุนัขจิงจอกนี่หรือสุนักบ้านมันพอจะรู้ภาษาคนภาษามนุษย์ได้บ้างได้ยินเสียงระเรื่อพวกมันไปเลยเข้าสู่หมู่บ้านเลยหูมันดีนกหละนกโอโนกนี่อยู่ไกลๆมันก็มองเห็นเระตามันดีไง มันจะต้องบินขึ้นฟ้าสาัตว์หกชนิดเหล่านี้ก็จะไปสู่ที่หากินที่เดียวของเขาก็จะดึงจิตไปหลยคนละทิต ท, ทางเลยจิตเ่านี้มันถูกดึงออกแยกออกอย่างนี้ระวงังเป็นบริไว้เหมือนตะขอเลยละ่ะเอาตะขอมาเกี่ยวที่ตาหูจมูกลิ้นกายและใจต่างคนต่างดึงไปคนละต่างเหวะหวะเลยนะตาบางคนเนี่ยหวอะหวะเลย ร่างกายบังคนโดยเฉพาะยิ่งส่วนหลังนี่เวอ้อเลยเละเลยถูกดึงไปจิตใจนี่ก็เวอว่ะโอ้นี่คือไม่ได้รักษาเศร้าหมองแล้วแต่มไงต้องรักษาสิต้องตั้งจิตไปดีแทนที่จะปล่อยให้มันบินไปดึงไปกระโดดไปเลื้อยไปวิ่งไปโนอเอามาลูกไว้ผูกไว้ด้วยเชือกเหนียว แล้วอปลายเชือกเหนียวนั้นมาปูไว้กับเสาไม่ใช่เสาเล็กๆนะเสาไม้สี่ปักบนกองแกลบหรือดินเลนไม่ได้ปักนี่เลยดินที่อัดแน่นอย่างดีเสาก็นี่ด้วยเป็นเสาหินทั้งๆเป็นเสาหินปักไว้อย่างมั่นคงปูก็ไว้เชือกไม่หีขาเสาไมหลม แซทหกชนิดเหล่านั้นไปไม่ได้แน่นอนอยู่ตรงนี้เลยจิตของเราจะต้องดำรงไว้ตั้งไ ว, ดว้ด้วยสติด้วยสติตรวจสอบอย่างนี้อันนี้แล้วที่เรามาตรวจตราดูหนึ่งละเราเริ่มจะตั้งดำรงจิตไว้อย่างดีแล้วแต่ที่จะสอดสองภายนอกคนนั้นก็กินยังไงก็คิดยังไงบางทีก็ไม่รู้ด้วยซ้ํเดาเอาไม่เฉย หรือจะไปคิดว่าสิ่งนั้นจะเป็นยังไงจะซื้ออะไรจะกินอะไรน่น no, no. นั้นส่งจิตออกส่งจิตออกไม่อย่าไปส่งจิตออกอย่าไปสนใจเรื่องคนอื่นตอนนี้นะตอนนี้เราสนใจเรื่องของตัวเราเองจิตใจของตัวเราเองจิตเราจะตั้งไว้ดำรงไว้ยังไงให้เราตั้งจิตไว้ดำรงไว้ด้วยสติมบว่าด้วยสติ พอร้องสังเกติของเราไปอย่างนี้นั่นแหละมันเริ่มสะอาดขึ้นแล้วทันทีเลยเริ่มเห็นแล้วอ๋อมันเศร้ามองตรงนั้นอ๋อมันคิดไปเรื่องนี้หน่อดสติตั้งไว้เลยจิตในจินเลยนีย่สังเกตดูเป็นการตั้งสติขึ้นแล้วเดี๋ยวมันมีไปนะเดี๋ยวมันจะพยายามดึงนะลิงดึงละเชือกตึงล่อะอนกบินขึ้นละเชือกตึงล่ะเชือกตึงแล้วเป็นยังไงสติเราสังเกตดูจิตของเรานี่ เราสังเกตดูจิตของเราเป็นยังไงไม่ใส่ใจเบลอเบลไปตามสิ่งอื่นสติก็มีกําลังมากขึ้นตามกระบวนการของจิตตานุปัสสนาสติปัฏฐานเห็นจิตในจิตมันก็อยู่งนี้ถ้ามันจะหายเผลอไปโ อ, โอ้ไปตามความคิดแล้วลิงมันเป็นกอริลลานกนเป็นพญญากรุตดึงไปนั่นนี่อะไรนอสังเกตดูดี ผอกเชื่อขึ้นใหม่ต่างสาวขึ้นใหม่ม่จะมีความระงับลงระงับลงต่งาง่งจิตควรทำให้เป็นอารมณ์เดียวด้วยสมาธิจิตจะทำให้เป็นอารมณ์อันเดียวได้ด้วยการกำจัดนิวรณ์ออกไปนิวรณ์คือเครื่องกลางกันเราจะกำจัดนิวรณ์ออกไปได้ด้วยสติเรามาสำรวจดูสังเกตดู จิตของเรามันส่องดูเงาที่กระจกเนี่ยแหละก็เห็นดันตีเลยจะอะไรอถ้าคุณมีกระจกที่มันพอดีพอได้นะไม่ได้แบบ้า่าโอ้โหจนไม่เห็นอะไรเลยเนะี่ยมันก็ต้องส่องดูมันก็พอเห็นอยู่ตรงไหนงามไม่งามดีไม่ดีไม่งา ม, ม, งามเราก็เอาออกปรับใหม่แต่งใหม่เหมือนกันเราสอดส่องจิตของเราด้วยสตินี่ มันเป็นการตั้งไวแล้วเลยด้วยจิตเห็นจิตอยู่ดูจิตอยู่ตั้งไวแล้วเลยเสร็จปุ๊บเห็นแล้วเลยเสร็จปุ๊บนิวรณ์ที่มันดอด่อนกาลังลงเลยนะทุกวังนะนิวรณ ค, คือเรื่องการกั้นมีความฟุ้งซ่านมีความม่วงซึมมีความคิดไปในทางกามมีความไม่ลงใจเห็นแยง้งเกลียแกลง้งแต่พอเราดูจิตปุ๊บนี ตั้งสติไว้ปุ๊บเนี่ยเหมือนเห็นสิวเหมือนเห็นรอยเปื้อนที่หน้ายอ่าจิตรู้รักษาอยู่ตรงนี้มันจะอ่อนกําลังลงเลยดูฝังเราเห็นเปื้อนตรงนี้เราก็เช็ดออกปัดออกจับจับดูเออตอนนัน้นก็สะาดที่มาดีขึ้นมานั่นแหละเหมือนกันพอเราสังเกตดูปุ๊บนี่สติจากกาจัดเจ้าหนิมอนออกไปจิตเราจะมีความระ ง, งับลงระ ง, งับลง จิตจะทําให้เป็นอารมณ์อันเดียวได้ด้วยการกําจัดนิวรณ์ออกไปนิวรณจะถูกกาจัดออกไปได้ด้วยการที่เราตั้งสเตคเกอร์พอเราตั้งสติขึ้น์นิวรณ์ถอนกําลังออกไปอ่อนกําลังลงจิตนั้นจะเริ่มระงับลงระงับลงเป็นจิตที่มีอารมณ์อันเดียวเป็นจิตที่มีอารมณ์อันเดียวจิตที่เป็นอารมณ์อันเดียวนั้นเราต้องทําให้ตั้งมันเอาไว้ หมายถึงรักษาเอาไว้ให้ดีรักษาจิตที่สงบนั้นไว้ให้ดีรักษาสมาธิก็ไว้ด้วยสตินั่นแหละเหมือนหญิงสาวชายหนุ่มเขาดูหน้าเขาแล้วเนี่ยมันงามแล้วมันหล่อแล้วไม่มีสิวหน้าเนียนดีไม่มีจุดด่างดํารยเพื่อนอไรสะอาดดีเนี่ยก็ทำยังไงเขาก็าดูแล้วเขาก็ปลื้มใจอย่างเงี้ย ยายมันมีเหงื่อออกก็แล้วกันแต่ยายมันเปื้อนอะไรใหม่อีกแล้วกันรักษาไว้ให้ดีเลยรักษาไว้ให้ดีพรูาอจารย์เเล่าให้ฟังอ่ะพอเเวลาแต่งหน้าอย่างดีแล้วนะทุกฝัง่งไปตามงานตามอะไรเงี้ยพอเกิดเขานิมนต์พระม า, มาสวดแล้วมีการสิ์น้ํามนต์คือการพรมน้ํามนต์อุ้ยเวลาซัตน้ำมนต์ไปนี่นะโอ้พวกญาติโยมก้มหน้าก้มหน้ากันว่าหน้าที่แต่งมา ตลอดวันแล้วเนี่ยกลวมจะเปื้อนด้วยน้ํากลวมมันจะเปื้อนด้วยเศษสิ่งอะไรที่มากับน้ําน้ําก็ไปดูน้ําสะอาดหรือเปล่าเนี่โอ้โก้มหน้าก้มหน้าหลบไวระวังไว้ระวังไว้ไม่ให้มันแปดเปื้อนสิ่งต่างๆเหล่านั้นรักษาไงรักษารักษาความสะอาดรักษาจิตที่เป็นอารมณ์เดียวไว้อย่างนั้นให้ดีทำนปเหมือนกับ คนที่เขาถือหม้อเต็มไปด้วยน้ำมันจำฟังหม้อเลยเต็มด้วยน้ำมันงานจนถึงขอบปากหม้อเต็มปรีึ้นเลยเนี่ยเขสั่งให้เดินไปเดินไปท่ามกลางฝูงชนที่เ็ากำลังชมการประกวดนางงามที่นางงามนี่มาจากทั่วโลกเลยนะทั้งไม่ใช่แค่มาเดินโชว์หุ่นเท่านั้นยังร้องด้วย ยังเต้นด้วยจะมีการแสดงด้วยแหมมีการสเตมก็ต้องมาดูใ่ไคนนี่ก็แห่กันมาดูมากเกินความประมาณให้เดินไประหว่างตรงนี้ระหว่างเวทีกับฝูงชนแล้วเบื้องหลังมีเพชฌฆาตเพชฌฆาตคือคนที่ม้บหมายหัวเราไว้แล้วเขาได้รับคำสั่งมาว่าต้องจัดการคนนี้คือได้รับการว่าจ้างมาแล้วเงื่อนไข ก็คือว่าถ้าทำน้ำมันตกหกยดลงณนะที่จุดไหนเอาจุดนั้นเป็นประมาณที่จะเอามีดเอาดาบเล่มใหญ่ๆของพิชิกายเขาเนี่ยฟันคอคนที่ถือหม้อน้ำมันเนี่ยมันขาดไปเลยฆ่าเลยโอ้ยคนที่ถือหม้อน้ำมันไปเดินไประหว่าง ฝูงช น, เ, นเขาจะไม่สนใจการร้องกันเล่นการเต้นบนเวทีหรอไอ้พวกคนชมก็จะมาด่าเลยนี่มันมายืนขวางทําไมนั่นนี่โอ้เราจะไปแคร์แล้วเขาจะด่าเราหรือไม่อะไรยังไงเราจะไม่สนใจสิ่งที่มันจะมากวนใจจะมาลั่วลวงยั่วยวนหรอกจะจดจอจ อ, จ อ, อยู่เฉพาะกับม้อน้ํามันนี่เลยนะว่าถ้ามันโขกแม้แต่หยดเดียวเนี่ยขอขาเลยนะ ไปตู้เย็นเติมน้ำใส่แก้วหนึโอโอ้มันใส่มากเกินไปน้ำเต็มปรีขึ้นจนถึงขอบปากแก้วหยุดได้กึกทันพอดีเต็มปรีนี่เราจะถือออกไปเนี่ยไหนคุณจะต้องก็ต้องปิดตู้เย็นต้องเก็บขวดั้งเดินไประวังเต็มที่เลยหรือคุณไปเอาแกงเอาอะไรออกจากไมโครเวรฟอย่างเงี้ยจะถือถ้วยที่มันเต็มเนี่ย วางที่โต๊ะอาหารหอยต้องระวังเต็มที่เลยแถมนี่มีพิชชาตอยู่ตามหลไรนะดํารงไว้ตั้งมั่นไว้อย่างมี้ทานผูฟังคือใช้สติน่ะสตินี่เป็นตัวประคับประคองมาตลอดเลยให้จิตของเราเนี่ ย, ย, ย, ยมันตั้งมั่นไว้ได้ตั้งมั่นนี่จะทําให้เกิดสมาบัติท่านผูฟังสมาธินี่เห็นไหมเกิดขึ้นเลยนี่คือความที่จิตเป็นอรมันเดียว มันก็ยังมีวุบวับวุบวับบ้างคิดสิ่งนั้นดับระิกสิ่งนี้เป็นจริงดีบ้าง ก, ก็มีกราทั้นมันเลละเอียดลงไปเลยละเอียดลงไปสมาธิที่ลเอียดแล้วละเอียดดีมันก็เป็นสมาบัตดเข้าไปลึกซึ้งเข้าไปออกจากฌานหนึ่งเข้าสู่ฌานส อ, ออกจากฌานสเข้าสู่ฌานสามั้งไว้ดํารงไว้อย่างนี้ จิตเราอยู่โดยมากมีสมาธิหรือไม่มีสมาธิจิตเราอยู่โดยมากมีความสงบหรือไม่มีความสงบรัวตาตรวจสอบดูนี่จึงจะเรียกว่าเป็นผู้ฉลาดในวาราจิตของตนสำรวจดูบ่อยๆวันหนึ่งสองสามครั้งก็ได้เกิดปุ๊บเขาพูดคำนี้ปุ๊บจิตเราจะปึ๊ดไปแล้วเนี่ย หรือแบบคํารถอยู่ปื้ดปดเนี่ยมีปื๊ดปื้ดอะไรปาดหน้าแล้วปาดหน้ามาปิดโอ้ยถ้าไม่ได้คอยสอดส่องและชนกันเลยนะชนเลยตุ่มเลยแต่ว่าถ้าคอยสอดส่องแล้วมันหยุดทันหยุดทันจิตเหมือนกันนะจิตนะจิตก็ดาเนินไปธรรมดาทํางานอยู่อะไรอยู่เกิดมีคนดา่าเกิดมีคนว่าจิตคุณจะจี้ก้นไหมจิตก็ต้องคอยเบรกนะ คลอยเบรคอย่าให้มันโกรดโกรดแล้วหยุดให้เร็วเผลอไปบ้างหลุดไปบ้างหยุดให้ทนันตั้งสติให้ดีอย่ายให้สัตว์หกชิริสมาเป็นตัวชักนำไปแต่ให้ปลูกไว้อยู่กับสติให้ดีในจิตเราจะตั้งกนได้จะสงบลงได้เ่าบอกว่าจะได้ความสงบระงรับคือสมถะเป็นผู้ได้เจโตสมถะ ในภายในเทตโวคือจิตนั่นแหละสมถตาคือความสงบในภายในของตัวเราเองไม่ได้ว่าต้องให้แบบบานเมืองสงบเรียบร้อยอากาศเย็นๆไม่มีเสียงอะไรโอ้ยแต่มันจะมีเสียงมันจะมีโรคภยัยมันจะมีคนนั่นนี่สงบได้ไหมเออให้ได้ในภายในของตัวเองไม่ต้องอาศัยเครื่องรอด มันเอาเสียงอาดนตรีมาลออผ่านทางจุดนั้นจุดนี้ถ้าไม่เหมาะสมของตัวเองเลยในไปไหนตั้มฟังในไายในการตรวจตราตรวจสอบดูจิตของเรานั้นยังต้องดูต่อไปนะตั้ว่างว่าเออเรามีความยึดติดยึดถือในสิ่งต่างๆนี่มันมากน้อยขนาดไหนดูสองด้านเสมอเพราะกิเลสมันเอาเราสองทางเป็นประชจำ เรียนคุณทำความสะอาดด้านเดียวเหรออีกด้านหนึ่งก็ต้องเช็ดด้วยแว่นใครอายุสี่สิบขึ้นแล้วเนี่ยนะทําฟังนะแว่นไม่ได้มีอันเดียวหรอกมันมีสองอันสามอันนู่นโตทำงานมีกี่โตเนี่ยมีแว่นทุกโต๊เลยรถมีกี่คันเนี่ยก็มีแว่นที่นั่นด้วยละอ่ะแล้วลเวลาทำความสะอาดแว่นนี่มันเช็ดด้านเดียวมันได้ที่ไหน ที่เราาเราเช็ดแล้วทำไมมันไม่สะอาดโอ้ไม่ได้เช็ดอีกด้านหนึ่งมันต้องเช็ดสองด้านกิเลมันจะบีบเราเนี่ยบีบเข้าบีบเข้ามันต้องเป็นครีมมันมีอีกด้านหนึ่งด้วยสิเราต้องตรวจดูให้มันรอบขอบทุกด้านด้านที่มันจะโกรธจะไม่พอใจตรวจสอบมาแล้วจะฟุงซ่นตรวจสอบมาแล้วตอนนี้มาตรวจด้านดี จะให้ยึดถือจะให้เปลิอยเปลินจะให้ลุ่มหลงไปตรวจด้านนี้ตรวจด้านที่ต้องดูว่าหรือมีการปรุงแต่งอะไรไปตามสิ่งต่างๆมากมายหรือไม่แต่ปรุงแต่งไปตามสิ่งต่างๆมากนี่แสดงว่ายึดถือแล้วเปลือเปลินแล้วลุ่มหลงแล้วอาการมันก็จะออกมาเป็นประมาณว่า มีไอเดียเยอะแยะมากมายมีสิ่งของมากมายมีเรื่องเดี๋ต้องคุยคนนั้นคนนี้อะไรต่างๆมากมายมีโปรเจกต์เยอะนะบางอี่างละกันจมโปรเจกต์เลยเดี๋ยก็คิดเรื่องนั้นเดี๋ยวคิดเรื่องนี้อันนี้เป็นรูปแบบของความฟุ้งซ่านอย่างหนึง่ตงต้อมาฟังความฟุง้งซ่านความไม่สงบชายอโยคนนั้นเป็นส่วนนิวอนเราก็จะบอกว่า เราป อ, อกุมได้ไม่ให้มันโกรธไม่ให้มันเคิียดแค้นไม่ให้มันกลายเป็นความเร่าร้อนนี่มันก็ออกมาในรูปแบบของคิดเยอะคิดมากเรื่องดีๆเนี่ยแหละแต่ก็มีสิ่งนั้นทำสิ่งนี้อะไรต่างต้องปรุงแต่งย่งนี้ะกันแต่จิกวสิสังขารสังขารนี่มันมีเยอะทงจิตออกอยู่เอยแต่สนใจเรื่องคนอื่นคนนั้นคนนี้ ก็ต้องหาเวลาทำความสงบบ้างใช่ไหมเอาเราทำความสงบบ้างโดยการใช้สมถะสมาธิแล้วตอนนี้เรามาเห็นด้วยปัญญาเห็นด้วยปัญญาปัญญานั้นคือการเห็นตามความเป็นจริงทนใจคำว่าวิปัสนาปัญญาวิปัสนาจเจริญวิปัสนาแล้วปัญญาจ ะ, จะเจริญเห็นตามความเป็นจริงในสังขารทั้งหลาย สังการทั้งหลายเราควรเห็นตามสภาพความเป็นจริงของเขาก็มีคนถามมาสังการทั้งหลายควรเห็นอย่างไรควรเห็นตามสภาพความจริงของมันจริงนะจริงๆนะจริงๆนะไม่ใช่ว่าแบบสมมติสมุตินะ่ะเอาภ า, าพมาผืนหนึ่งภ า, าพมาผืนหนึ่งแบบนี้นี่อะไรนี่ป้า ไม่ใช่มันไม่ใช่ความเป็นได้จริงๆมันคือได้อา้าวก็ใช่นี่ก็เอาได้มาทอมาสีมาสารเนี่ยมันก็เลยเออกมาเป็นผ้าโอ้แล้วผ้าพลาสติกอะ่ะมันคือพลาติมันไม่ใช่ได้อ้าวหรอมันเป็นผงนะ่ะใช่มันเป็นผงเาแล้วถ้าได้ล่ะได้จริงๆมันเป็นเส้นๆมาไม่เป็นเส้นๆ น, นะ มันเป็นฝ้ายเออแต่แต่ารรมาจากฝ้ายมันเป็นรังไหมอ่าแต่แต่มาจากไหมมันมาจากอีกต่อไปแล้วจริงๆมันเป็นจากเส้นใยของสัตว์เส้นใยของพืชถึงแก่แล้วมันจริงมันยังไงมันจริงๆยังไงไหนบอกเป็นผ้าไหนบอกเป็นได้สิ่งนี้มันสมมติไงท่านฝังมันเป็นสังขารการปรุงแต่งปรุงแต่งกันมาเอา้ากูเอาปุยฝ้ายมาละจากต้นไม้ มาปัน่นปันปันปันดีดดีดี ด, ด, ด, ดแล้วก็รี่ออกมาม้วนออกมาเป็นเส้นเป็นเส้นม้วนเอาไว้ม้วนเอาไว้เนี่ยอันนี้มันคือได้ไงได้ที่แต่มาชักไฟลปรุงแต่งกันขึ้นมาเอาไฟล์มาปรุงแต่งแบบนี้สมมุติเรียกชื่อใหม่ว่ามันคือได้เขาได้มาสารมาทอปรุงแต่งแบบนี้นี่คือสังขานะสังขารการปรุงแต่งเปเลี่ยนแปลงจากรูป คือฝ้ายอย่างหนึ่งให้เป็นรูปคือได้อีกอย่างหนึ่งสังขารการปรุงแต่งคือปรุงแต่งจากได้เอามาทอเอามาสีเอามาสารกันเสร็จปุ๊บปรุงแต่งจากได้ให้เป็นสังขารอีกแบบหนึ่งนั้นคือผ้าออกมาเป็นผ้านี่สังขารแล้วก็สมมติเรียกว่านี้คือผ้านี่คือได้โนโนโนคือฝ้ายเอาฝ้ายมาปันเป็นได้เอาได้มาทอเป็นผ้า สังขารเข้าทำงานสังขารเข้าทำงานตต่อย่างก็มีสมมุติเรียกชื่อเปลง่งแปลงไปตามเงื่อนไขปัจจัยของเขาตะตะกุดอกภานี่นะมาตัดอย่างนี้เย็บตรงนี้สวมเข้าจากทางด้านบนเรียกว่าเสื้ออีกนะปรุงแต่งแบบนี้สมมุติเรียกชื่อใหม่ผืนเดียวกันเอามาเย็บอีกแบบหนึ่งเอามาตัดอีกแบบหนึ่งใส่ตรงจากข้างล่างขึ้นมาหรือว่ากางเกงนะ อาแมันไม่ใช่ผ้าเหรอก็ผ้านั่นแหละแต่ว่าเขาปรุงแต่งแบบนี้เขาถึงสมมุติเรียกชื่อไหมว่ามันเป็นกางเกงถ้าขา บ, นบานๆก็เล้เกิเปรงถ้าไม่มีขาเลยนะเรือกระโปรงดูซ้ําอู้วมันปรุงแต่งหลายอย่างนี่นแหละมปรุงแต่งเอาแล้วจริงๆมันคืออะไรกันแน่มันคือผ้าเอาไหนตั้งยิบบอกได้ก็มันได้ด้วยเอาแล้วยังไงเนี่ยนี่ไงท่านฟัง อย่าเพ่งงสังขารต้องเห็นด้วยตามความเป็นจริงเห็นด้วยปัญญาจริงๆมันจริงๆมันอะไรจริงๆของได้จริงๆของายจริงๆของผ้าจริงๆของเสื้อแจ้งเกงมันคือต้องขึ้นอยู่กับสิ่งมันเป็นอนัตตาไงจริงๆของจริงๆเนี่ยคือถ้าเราพูดถึงว่าเออสมมติเรียกชื่อนั้นชื่อนี้มันเปลี่ยนตามสมมติอยู่แล้ว เปลี่ยนตามเงื่อนไขการปรุงแต่งสังขารอยู่แล้วแต่จริงๆจริงๆริงออกมาเลยคือเห็นด้วยตามความเป็นจริงเนี่ยไม่ว่าจะอยู่ในสภาวะไหนมันต้องจริงจริงๆสัจจะไงระหวังสัจจะนะไม่ใช่สังขารสัจจะความจริงในที่นี้คือมันเป็นอนัตตาได้ก็อนัตตาผ้าก็อนัตตาเสื้อกางเกงกระโปรงกระเปงพวกนี้ขึ้นอยู่กับสิ่งอื่น ดันเรงว่าเป็นอนัตตาเห็นด้วยตามความเป็นจริงพิจารณาโดยความเป็นอนัตตาสังการนะเราควรเห็นตามความเป็นจริงพิจารณานะพิจารณาว่ามันเป็นอนัตตาถ้าเรายังมีความยึดถือยึดติดคาถามที่เราต้องถามจิตของตัวเราเองหมายถึงจุดที่เราจะซอนองดูเนี่ยนะ สอดองดูจิตเนี่ยว่าเอ๊ะจิตคุณควรเห็นสังขารอย่างไรจิตคุณควรพิจารณาอย่างไรจิตคุณควรจะเห็นแจ้งในสังขารนั้นอย่างไรห็้ที่เราไปยึดติดยึดถือชอบหลงไหลลุ่มหลงเนี่ยเราควรเห็นตามความเป็นจริงด้วยปัญญาควรเห็นตามความเป็นจริงนะพิจารณาอย่างไง พิจารณาโดยความเป็นอนัตตาว่าจริงๆมันคืออนัตตาพิจารณาตรงนี้่ลยพิจารณายัางไงอนัตตาเนี่ยมันก็ขึ้นอยูเงื่อนไขปัจจัยไงต้องอาศัยเหตุอาศัยเงื่อนไขปรุงแต่งมาแบบนี้เช่นจะมีกางเกงได้มันต้องมีผ้าก่อนอาศัยผ้าอาศัยทซาอาศัยการตัดเย็บแต่ละดีไซน์แบบนี้นะเป็นเสื้อนะโโหนี่อนัตตาชัดๆเลย ขึ้นอยู่กับดีไซน์ขึ้นอยู่กับภาษาด้วยนะแต่ฝั่งอเมริกาเขาก็เรียก pants ถ้าฝั่งอังกฤษเขก็เรียก trousers เขาคุณทยยังเรียกของเก่งขาสั้นงงเก่งขายาวเก่งขากล้วยแล้วความยาวขามันก็ยังมีชื่อไม่เหมือนกันไปอีกชื่อเฉพาะไปอีกนั่นแล้วมันอาศัยเงื่อนไขปัจจัยไเป็นนันตตา ความที่มันเป็นอนัตตาขึ้นอยู่กับสิ่งอื่นในที่นี้คือดีไซน์บ้างวัสดุที่มาทําบ้างไม่ใช่เป็นเหตุเดียวเงื่อนไขเดียวแต่เป็นหลายเหตุหลายเงื่อนไขผลมันก็จึงเปลี่ยนแปลงปรุงแต่งไปทั่วไปหมดใช้มันคงที่คงตัวเหมือนเดิมมันก็ไม่ได้เหตุเปลี่ยนแล้วเงื่อนไขไม่เหมือนเดิมผลก็ต้องเปลี่ยนนั่นคือความที่มันไม่เที่ยงอย่างตัวบางอะไรมีความเป็นอนัตตาแล้วมันก็ไม่เที่ยงด้วย สิ่งใดไม่เที่ยงใช่มันเป็นอยู่ในสภาพเดิมเมื่อเหตุเปลี่ยนแปลงันมันก็ไม่เป็นอย่างนั้นแหะมันจนอยู่ในสภาพเดิมไม่ได้มันก็เป็นทุกข์ด้วยสิ่งที่ขึ้นอยู่กับสิ่งอื่นคือเป็นอนัตตาก็จะมีความไม่เที่ยงคืออนิจจงมีความที่คงอยู่ในสภาพเดิมไม่ได้คือทุกขังด้วยพิจนารณาเห็นโดยความเป็นของอนิจจงทุกขงังอนัตตาคือตรัยรักนั่นเอ ง, องฟัง ไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาพิจารณาอย่างนี้เห็นสังขารด้วยปัญญาพิจารณาเห็นโดยความเป็นอนัตตาพอเราเห็นโดยความเป็นของไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาแล้วความแจมแจ้งดับหวังมันจะปรากฏขึ้นแจมแจ้งว่าอะไรมันจะไม่แจ้งได้ไงสายไฟไปมันก็สว่าง สว่างแล้วก็เห็นสิ่งต่างๆดิคุณมองดูกระจก ค, คุณจะไม่เห็นได้ไงจมูกตัวเองมีสิวเสี้ยนไหมมีสิวตรงไหนไหมเัน่็เห็นตรงนั้นเลยเห็นว่าอย่างไงแจ้งอย่างไงแจ้งโดยความที่ ว, ว่าสิ่งใดไม่เที่ยงเป็นทุก์มีความแปรปรวนเป็นธรรมดาดิสิ่งเดิมนมเป็นอย่างเงี้ยต้องแจ้งกันนะว่าเอ้ยเราควรหรอควรหรือป่าคิดดูดิควรรือป่าว่าเราจะ เอาสิ่งที่มันไม่เนื่อเป็นทุกข์มีความแปรปรวนเป็นธรรมดาเนี่มันเป็นตัวเราสําคัญหมายว่ามันเป็นเราเข้าใจไปว่าเรามีในสิ่งนั้นเข้าใจไปว่าสิ่งนั้นมีอยู่ในเราเข้าใจว่าเป็นตัวตนของเราวเวราเข้าใจสิ่งที่ไม่เนื่อเป็นทุกข์มีความแปรปรวนเป็นธรรมดาว่าเราเป็นสิ่งนี้สิ่งนี้เป็นเราเรามีในสิ่งนี้สิ่งนี้อยู่ในเราก็คือไม่แจงนะยังมืด อ, อยู่ มีรอยด่างดำอยู่ที่มีจุดนี้อยู่ใต้คางนี่มันบังอยงู่เงยขึ้นซิดูโอ้โห โ, โสมบกเต็มปื้ดเลยเช็ดออกเช็ดออกให้เห็นแจ้งสังขารว่าสิ่งที่ไม่เที่ยงเป็นทุกข์มีความแปรปรวนเป็นธรรมดาน่ะไม่ใช่ตัวเราไม่ใช่ของเราไม่ใช่เป็นตัวตนของเรา ไปเข้าใจว่ามีอยู่ในตัวเราเราเป็นสิ่งนี้สิ่งนี้มีเป็นเราอย่าไปเข้าใจว่างั้นแล้วเข้าใจว่าไงท่านเข้าใจว่าสิ่งนั้นไม่ใช่ตัวเราไงเรารู้สึกว่านี่เป็นตัวเราตรงไหนอันน่นตรงนั้นมันยังมีจุดด่างดําอยู่เช็ดเลยเช็ดยังไงนะไปพิจารณาดูตรงนั้นว่าสิ่งนี้เป็นของปรุงแต่งไหมเป็นของไม่เที่ยงไหมขึ้นอยู่กับเงื่อนไขปัจจัยเหตุอื่นหรือไม่อ๋อใช่อันนั้นนะดีแล้วนะ เริ่มเห็นแล้วพิจารณาดูละเหมือนคนเขาแต่งหน้านผู้หญิงเนี่ยนะเคือเขาสามารถอยู่นั้นฝังเขาลากตาเนี่ยให้มันเป็นยาวๆไว้เนี่ยแล้ว เ, เขาก็ต้องรู้ว่ามันต้องไปจบตรงนั้นหรือมันต้เชื่อมกับตรงนี้แล้วสีนี้มันได้หรื อ, อยังต้องเข้มขึ้นอีกเท่าไหร่แดงลดลงไหมเออคือเออมันจะมีวิจารณญาณ อ, อยู่ จะแจ้งอยู่ตรงไหนได้เหมือนกันทฟังดูจิตนี่ดูจิตเราเข้าใจว่านี่เป็นตัวหลักเป็นจิตของเราใช่ไหมละ่ะเราเข้าใจว่านี่คือจิตของเราเนี่ยมันยังไม่แจ้งไงมันยังมีเหรียญอีกด้านหนึ่งอยู่ข้างหลังมันยังมีไม้อีกกรรมหนึ่งปิงเอาไว้มันยังมีอีกด้านหนึ่งของจานที่ต้องไปล้างล้างจานแต่ด้านหน้าอย่างเดียวมีที่ไหน ล้างบาตล้างแต่ข้างในได้ไงก็ต้องล้างข้างนอกด้วยไม่เปื้อก็ต้องล้างด้วยคุณใช้ด้านหลังจานที่ไหนล่ะก็ไม่ได้ใช่เปะละ่ากินข้าวเนะี่ยแต่ก็ต้องล้างด้านหลังมันด้วยจิตเราเออมันสะอาดดีแล้วเข้าใจสิ่งอื่นๆแล้วเสียงแล้วภาพแล้วว่าไม่เตียงเป็นทุกข์เป็นนันตตาดีแล้วแม้แต่เจ้าตัวจิตของเจ้าเอง ก็เป็นนาันตาด้วยนะเออดีแล้วระวังสิ่งต่างๆนี่พิจารณาเห็นแล้วนไม่ว่าจะทรัพย์สมบัติจะ ช, ชื่อเสียงเงินทองเป็นโลกธรรมทั้งนั้นมีความเกิดขึ้นเปลี่ยนแปลงไปเดี๋ยวก็สุขบ้างก็ทุกข์บ้างดีดีพิจารณาเห็นสิ่งอื่นๆดีตัวจิตที่ไปทําหน้าที่รับรู้สิ่งอื่นนั้นก็ด้วยนะด้านหลังมันมีอยู่นะจิตนี่ ตัวจิตเองแม้คุณเองตัวคุณเองตัวคุณเองเห็นแจ้งหรือยังเห็นแจ้งสิ่งอื่นใช่อยู่เห็นแจ้งตัวเองหรือยังจิตที่ฝึกแล้วจะนำสุขมาให้นะจิตที่ไม่ฝึกนี่ก็นำทุกมาให้นะฝึกจิตให้เห็นสิ่งต่างๆแล้วตัวจิตเองตัวจิตเองดูเราดูให้มันดี ชายุเราไปเห็นสิ่งนั้นสิ่งนี้สิ่งนั้นสิ่งนี้น่นเออมันไม่เที่ยงโอเคดีไม่มีปัญหาแต่ว่าเวลาที่มันไปเห็นเนี่ยโดยใช้จิตเนี่ยจิตเห็นสิ่งต่างๆก็ผ่านทางวิญญาณวิญญาณเนี่ยจึงเป็นตัวเชื่อมหรือเป็นวิญญาณทิติเป็นตัวเชื่อมให้จิตน่นแะมันไปก้าวลงผ่านทางวิญญาณวิญญาณเป็นตัวเชื่อมของจิตที่จะ ไปก้าวลงในสิ่งอันึ่นต่างๆไม่ว่าจะเป็นนามหรือรูปนามรูปหนึ่งจึงมีเจ้าวิญญาณเป็นตัวเชื่อมโยงโดยจิตนั่นและใช้วิญญาณเป็นเครื่องมือจิตใช้วิญญาณเป็นเครื่องมือในการที่จะไปยึดถือนามรูปให้เราเกลียดจังก็อยากแข็งไม่พอใจฟุ้งซ่านนี่ก็ต้องระ ง, งับด้วยสมาะสมาธิ จิตเนี่ก็ใช้วิญญาณไปนในการยึดถือนามรูปเป็นลักษณะที่เรารุ่มหลงเพลินกําหนัดยินดีพอใจไปนั่นก็จะกำจัดได้ด้วยด้วยปัญญาสว่างแล้วดีแล้วตัวจิตตัวเองที่ว่าเศร้าหมองก็ได้ผ่องใสก็ได้นี่แหละเที่ยงไหมล่าดูเที่ยงไหมจิตนี้เออไม่เที่ยงเหมืนนะถามตัวเองดูจิตคุณเที่ยงไหม สังขารปรุงแต่งไปงี้เออเดี๋ยวก็สุบ้างเดี๋ยวก็ทุกข์าก็ตอนนี้ก็สุขดีแล้วไงสงบระ ง, งับดีแล้วไงใช่แล้วถ้าวันไหนเผลอสติลหลังวันไหนเกิดฟังเพลงกินมากเผลอเปลินไปเดี๋ยววันก็เศ้ามองละขี้เกียจละกิน แ, แ, แ, แล้วก็มานอนนะเห็นแก่ได้เห็นแก่สุขไม่พอใจทุกขุก อ, อ, อารมณ์ทาไมขึ้นขึ้ น, นลงลง คนนั้นแล้วมันยังเศร้าหมองได้ไงออวันไหนกินน้อยวันไหนมีเมตตาเออจิตมันก็ดีขึ้นมาตองกับผ่องใสได้ไงใช่จิตที่มีความผ่องใสก็ได้เศร้าหมองก็ได้นั่นแหละเที่ยงหรือเปะละ่าล่ะจิตที่เดี๋ยวผ่องใสก็ได้เดี๋ยวเศร้าหมองก็ได้มันไม่เที่ยงนะเออเหมือนกันนะ สิ่งใดไม่เที่ยงถามเจ้าตัวจิตดูอีกทีหนึ่งตัวคุณเองอ่ะจิตคุณน่ะเที่ยงหรือไม่เที่ยงฟังดูมันตอบดูจิตคุณเที่ยงหรือไม่เที่ยงบางทีมันไม่ตอบเลยทุกฝังมันนิ่งเลยไม่ตอบไม่ตอบเพราะมันไม่รู้มันไม่รู้ความไม่รู้น่ะมันคืออวิชาทุกฝังความไม่รู้เกิดวิชา เราจะให้เจ้าอาวิชามันดับไปคุณต้องทําความรู้คือวิชาให้เกิดขึ้นความรู้คือวิชาอยู่ไหนก็อาวิชาจากพระพุทธเจ้านั่นแหละความรู้เนี่ยเขามีอยู่แล้วแค่าว่าเราเอามาใส่ในตรงจุดที่มันยังไม่รู้ไงความรู้นี่ยมีอยู่ในตู้พระตะไคร่บิดดกมีอยู่ในหัวสมองของคนฉลาดๆก็ไปถามก็เอาตรงเนี้มนต้องทำยังไงจิตมันต้องเห็นยังไง แต็ผมแย่งได้ยังไงเขาก็บอกมาว่าจิตนี่มันไม่เที่ยงนะนี่คือความรู้นะจิตคุณไม่เที่ยงจริงเหรอมันไม่ตอบหรอกเพามันไม่รู้ก็เอาความรู้ใส่ลงไปใช่จิตมันไม่เที่ยงความรู้นี่มาจากไหนจากพระพุทธเจ้าทานรู้ได้ไงก็ท่นตรวจสอบทามาแล้วทําที่ผิดๆนั่นและวรำมก่อนโง่ก่อนแล้วมันจึงค่อยฉลาดได้ผิดก่อนแล้วมันจึงค่อยถูกได้หลงก่อนแล้วมันมันจะค่อยมาตรงได้ เห็นตรงตามความเป็นจริงด้วยปัญญาว่าจิตคุณนั่นแหละไม่เที่ยงฮคุณไม่เที่ยงนะอา้าไม่เที่ยงเลอนี่ความรู้นะความรู้พอรู้แล้วว่าอาจิตคุณไม่เที่ยงนะนี่นะจิตคุณไม่เที่ยงเป็นทุกข์สิใช่อา้าแล้วเราจะมาหาความสุขจากสิ่งที่จะเป็นทุกข์กหรอถูกหลอกไง ูกหลอกแล้วจะมาหาความสุขจากสิ่งที่เป็นทุกข์คุณจะได้แต่ความสุขชอมปลอมคุณจะได้แต่ของปลอมของทำเหมือนดูเหมือนว่าใช่แต่จริงแล้วไม่ใช่ถูกจิต น, นั่นแหละหลอกหลอกด้วยความไม่รู้เกือวิจาเหมือนก็จะไปหาแก่นไม้จะไปทำอะไรก็ไปปลูกบ้านทำเสาเรือนทำอะไรกิดที่หนึ่งด้วยแก่นไม้แหละ ก็ไปหาจากต้นกล้วยเออไปหาจากต้นกล้วยว่าเออกล้วยไหนกล้วยก้อ น, นี้กล้วยลํานี้เออดูมันใหญ่ดีนะปอกกาบออกทีละชั้นละชั้นละชั้นนี่ปอกกาบออกนี่ไม่พอที่จะเห็นกระปีเลยซ้ําแกนมันจะมีที่ไหนทำไม่หวังกระปีก็ไม่มีแกนไม่ต้องหวังไม่เห็นเอาคิดว่ามี ไม่มีมันดูเหมือนเฉยเฉยจะหาสาระจากสิ่งที่ไม่มีสาระเราจะไม่เจอจะหาสุขจากสิ่งที่เป็นทุกข์เราจะได้สุขจอมปลอมเฉยเฉยจะหาสิ่งที่เที่ยงแท้มั่นคงยังย่งยืนแน่นอนจากสิ่งที่มันไม่เที่ยงแท้ไม่มั่นคงไม่ยั่งยืนไม่แน่นอนมันจะหลวมคุณจะไม่ได้ จะคว้าน้าเหลวเหมือนตามจับพยับแต่สุดท้ายไม่ได้อะไรถ้าเราจะเอาจิตเป็นสาระไม่ได้จิตไม่ใช่สารจิตเนี่ยมันหลอกราหมดทุกฝั่งจิตนี่มันจึงถ้าชักนำเราไปนะไปนในทางไม่ดีมันก็นไปเลยนะคนที่ประพฤติตามอํานาจจิตอย่างเดียวเนี่ยมันอาจจะลำบากได้ือยืนยันไม่ให้เลยแล้วกันว่าคนที่ประพฤติตามอานาจจิตอย่างเดียวลาบากได้แน่นอน เอาอะที่สุขสบายอยู่ด้านเคอมีไห ม, มของชั่วคราวถูกหลอกแล้วนั่นนะเหมือนหาสุขได้อยู่นิดหน่อยนิดเดียวแป๊บเดียวเดี๋ยวตอนตายดูเอาไปไม่ได้สักอย่างหนึ่งฝากอยู่ที่ลูกหลานหมดจะตายแล้วต้องรู้จักคิดนะคนเราหายใจเข้าหายใจออกครั้งหนึ่งในี่ใกล้ความตายเข้าไปที่หนึ่งดีหนึ่งนะตำรวจที่จะมาฉลองแฮปปี้เบิร์ดเดย์แฮปปี้เบิร์ดเดย์ทีละปีละปีเนี่ยแฮปปี้แฮปปี้เนี่ยเอาเคกมากินนี่ มันรู้เป่าว่าใกล้ความตายเข้าไปปีหนึ่งปีหนึ่งนี่เป็นเรื่องที่น่าสลดสังเวชนะเราคิดให้ดีนะเออใช่เราอายุมากเป็นปีหนึ่งมันก็ตายเขาตีละครั้งละครั้งแล้วตีแลกรอบแลกรอบแล้วจิตเห็นตามความเป็นจริงหรื อ, อยังเห็นแจ้งหรื อ, อยังยังไม่เห็นไม่เป็นไรเอาตอนนี้แหละเห็นแล้วตอนนี้แหละเขาชี้ให้เห็นแล้วพระพุทธเจ้าบอกมาแล้วสอนมาแล้ว พระเจ้าไปศึกษามาอ่านพระสูตรตรงนี้มาบอกให้ท่านบูฟังฟังท่านบูฟังก็รู้ตามแล้วรู้แล้วเนี่ยความรู้เนี่ยมีแล้วแสงสว่างส่องมาแล้วส่องมาตามคำสอนที่ท่านสอนมาเนี่ยไม่ใช่คิดใหม่นะข้าพเจ้าไม่ได้คิดเองข้าพเจ้าก็เอามาจากที่พระพุทธเจ้าท่านสอนมาที่ท่านสอนมาก็เอามาจากที่ท่านธรรมะท่านธรรมะเป็นธรรมะเกิดขึ้นแล้วข้าพเจ้า ก็เอาธรรมะเหล่านั้นมาทำมาปฏิบัติเห็นอย่างนี้ก็สอนตามที่ท่านสอนมายืนยันให้ได้ใว่าจิตเนี่ยมันไม่เที่ยงรอจริตเนี่ยมันไม่ใช่ของจริงหรอกมันเป็นของปลอมเฉยอย่าไปตามมานานันนจมันต้องฝึกมันต้องทำความสาดทั้งสองด้านฝึกมันจิตนี่ฝึกแล้วมันจะนำสุขมาให้ยุ่ถ้าไม่ฝึก ระพฤติตามอำนาจจิตที่ไม่ฝึกลำบากแน่ฝึกให้เข้าใจว่าจิตแม้ตัวนั้นเองก็ไม่เที่ยงจิตก็ไม่เที่ยงสิ่งใดไม่เที่ยงถามซ้าดูอีกมันล็อกสองชั้นสลับไปสลับมาล็อกว่าสังขารนามรูปอะไรเนี่ยไม่เที่ยงล็อกชั้นหนึ่งละอย่ามาล็อกชั้นสองว่าจิตเนี่ยแหละมันก็ไม่เที่ยงอีกเหมือนกัน ถ้าเราปลดล็อกชั้นสองนี่ไม่ได้นะเดี๋ยวมันก็เศร้ามองใหม่ได้จิตเนี่ยหยุดถือสิ่งอื่นตามเงื่อนไขปัจจัยแรงมันบีปลดล็อกอันนี้ซะดูซะดูว่าจิตที่คุณไม่เที่ยงเป็นทุกมีความแปราบรวนเป็นธรรมดาเนี่ยจิตของเราที่มันไม่ตอบว่ามันไม่รู้เนี่ยตนิ้วรู้แล้วว่ามันไม่เที่ยงนี่มีความรู้มีวิชาแล้วเอวิชามันจะไปอยู่ได้ไงมันอยู่ไม่ได้ วิชาอยู่ไม่ได้เพราะมีวิชาเกิดขึ้นเราเห็นจริงโดยความเป็นของไม่เที่ยงเป็นอนัตตาแปรปรวนไปแล้วเราจะไปยึดถือเป็นของเราตัวเราทำไมนั่นสิทำไปทำไมก็โง่ไงตอนนี้ไม่โง่แล้วไงตอนนี้ฉลาดแล้วของความรู้รับธรรมะเป็นผู้มีส่วนหนึ่งปัญญาของพระบุตชาว ปัญญาไหนนะหมดทังปวงที่พระพุทธเจ้ามีนะปัญญาไหนนะที่ท่านพระสารีบุตรมีนะความสามารถใดที่ท่านพระมหาโมคลานามีเนี่ยโอ้ยขอเรามีส่วนแห่งปัญญานั้นความสามารถนั้นจิตใจนั้นฉันฉันหน่อยหนึ่งก็แล้วกันนะ่ะขอฉันหน่อยหนึ่งท่านส่งผ่านมาให้เราแล้วเราจะรับได้ไหมกันนั้นละ่ะสรงผ่านมาตามคาสอนเนี่ยทำยงี้ เราเอานั้นมาทําเลยจิตใจเรานี่แหละสองดูแล้วเห็นแล้วนี่ว่ามันไม่เที <S <s <pergunt> <S no, ่ยงเป็นทุกม <white> like ีความแปรปรวนเป็นธรรมดาไม่แล้วเราไม่ยึดถือแม้แต่จิตเองนี้นี้ก็ตามวางเลยวางความยึดถือที่ว่ายึดถือว่าจิตเนี่ยเป็นตัวเราของเรานี่วางเลยว่างไม่เอาละอยู่กับอะไรนี่อยู่กับสติ สติไม่ใช่จิตนะการเห็นจิตในจิตนี่ให้เกิดสติสติไม่ใช่จิตสติไม่ใช่จิตสติรักษาจิตอยู่สติทำจิตให้หลุดพ้นได้จิตหลุดพ้นแล้วจิตจึงนำรงอยู่หลุดพ้นนี่คือวิมุตติพ้นจากอะไรพ้นจากความที่จะต้องไปไม่พอใจไปโกรธไปยินร้าย พ้นจากความยึดถือว่ายึดถือน่เนพอใจลุ่มหลงเพลินสิ่งนั้นสะอาดละไง ห, หน้าตานี่ไม่มีความเศร้าหมองแล้วดีแล้วสบายแล้วพ้นดูมุตติจากเสียงผ่านทางหูรูปผ่านทางตาความคิดนึกมีสำคัญผ่านทางใจพ้นละจึงนำรงอยู่ได้ดีจิตพ้นแล้ว จิตจึงดำรงอยู่ดำรงอยู่ด้วยสติตัณวังจิตที่พ้นไปเนี่ยคือจิตที่มนันเป็นของหลอกลวมเป็นกองปลอมเตรียมเป็นจิตที่เศร้าหมองพ้นไปแล้วดำรงอยู่นี่ไม่ใช่จิตที่ปองใสนะปองใสเศร้าหมองเนี่ยมันเป็นสเตตเป็นสถานะที่มันกลับไปกลับมาจิตที่ดำรงอยู่เนี่ยคือจิตที่ประพัฒสอนจิตที่ประภัฒสอนเนี่ยต้องให้เกิดปัญญาปัญญาเกิดแล้วมันก็ดับไปเหมือนกันน่ะปัญญานี่ก็ไม่เทีย่ยงมกันใช่ไหมล่ะ เกิดแล้วย่อมดับไปสะสมอยู่ที่จิตโดยความเป็นปัจจัยปัจจัยที่สะสมที่จิตที่จิตจึงไม่ เ, เกิดความรู้แจ้งขึ้นจิตจึงมีความรู้แจ้งว่าอ๋อสิ่งเหล่านี้ไม่ควรอยู่ถือไ ว, ว้วางลงวางลงวางลงวางลงวางลงด้วยปัญญาปัญญาเองก็ไม่เที่ยงก็ไม่ได้เอาไปด้วยพระพุทธเจ้าจึงบอกกับท่านพระนนท์ว่า แม้แต่พระสารีบุตรมีปัญญามากขนาดนี้เนี่ยนะมีเยอะขนาดนั้นเนี่ยเวลาละจากโลกนี้ไปนิพพานไปเนี่ยท่านไม่ได้เอาปัญญาเหล่านั้นไปด้วยนะมีมากไา น, นั้นแม้นิสเดียวจะติดไปด้วยไม่มีเพราะอะไรก็เพราะปัญญามันอยู่กับจิตไงแล้วจิตมันเที่ยงหรือเปล่าก็ไม่เที่ยงไงพระพุทธสอนนั่นแหละกูอยู่ที่นี่ เวลาอนิพพานแล้วไปดาวไปด้วยผลไงตัมบูฟังดำรงอยู่ไงตัมฟังผลแล้วจึงดำรงอยู่ดำรงอยู่จึงยินดีร่าเริงด้วยดียินดีร่าเริงด้วยดีจึงไม่สะดุง้งไม่สะดุ้งนี่คือไม่สะดุ้งไปตามการเปลี่ยนแปลงของสิ่งต่างๆอยู่ด้วยรักษาด้วยสติรักษาด้วยปัญญานันตันเรนวาเป็นการปรินิพพานเฉพาะตนดับเย็นดับรอบ เหมือนเราจุดทีเย็นทีเย็นมันก็กินไส้ไปเรื่อยๆกินไส้ไปเรื่อย ๆ, ๆให้แสงสวาง่สงสวางไปเรื่อยๆให้แสงสว่างไปเรื่อยๆจนมันหมดไส้ไม่เหลือไขไม่หมดทุกอย่างไฟอยู่ที่ไหนดับไปแล้วเย็นแล้วไฟก็ไม่เที่ยงแสงสว่างนั้นก็ไม่เที่ยงไม่เดาไปเลยแม้อย่างเดียวทุกประวั ง, งดับสนิทยิยนแล้ว ในที่ท่านได้รับฟังจบไปนั้นคือการบริบัติทางจิตตาเปล่ารนะฟังในชน่วงของจิตตาวิเวกทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยทุกวันกลางคาืนตั้งแต่เวลาตีห้ถึงหกโมงเช้าหรือว่าในเครือข่ายของกรมประชาสัสมพันธ์ในชน่วงเวลาต่างๆท่านสามารถติดตามรับฟังได้ในระบบพอดแคสต์หรือว่าที่เว็บไซต์ ปัญญา o r g .p a n y a o r g รายการนี้จัดโดยมูลนิธิปัญญาภาวนาซึ่งมีข้าพเจ้าพระมห า, ายบูรณ์อาภิปุณโนเป็นผู้ดำเนินรายการสมุฝังที่อยากจะฝึกทำฝึกปฏิบัติให้ยิ่งขึ้นไปการพัฒนาทางจิตนั้นจะช่วยให้จิตเรามีกำลังมีอำนาจรู้ วารจิตของตัวเองได้ควบคุมตัวเองได้ไม่สะดุ้งไปตามการเปลี่ยนแปลงของสังคมภายนอกมีกำลังจิตเข้มแข็งมีกำลังใจสูงประกอบด้วยปัญญาจะใช้ฝึกทำด้วยกันระหวังเป็นการท้าให้ทำเจวันถ้าดูฟังนั่งสมาธิฝึกทำฝึกนั่งสมาธิเป็นเวลาเจดวันด้วยกันแล้วมีระบบมีข้อมูลดีจะให้ดูฟังได้ฝึก ตันที่ฟังต่างวิทยุเราก็อยู่เป็นประมาณแค่60นาทีไม่เกินฉบาส่วนที่เราได้ฟังตัวนั้นด้วยแลวเรามาฝึกเรามาทำด้วยกันเราอยากให้ท่านมาฟังไปที่เว็บไซต์นี้คือมีปัญญามีปัญญา o r g m e p a n y a มีปัญญาลงทะเบียนที่นั่นรับคำท้าให้ทำปฏิบัติสมาธิเวัน พบกันที่นั่นแล้วฝึกทำจิกรร้อให้มีพลังยิ่งขึ้นไปเราพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้จริแดนอ